เป็นขุนและเป็นเมือกสกปรกมีกลิ่นเหม็นอย่างสุดที่จะทนทามได้และเราก็ยิ่งรู้สึกขยะขยง ย, ยิ่งขึ้นไปอีกในเมื่อได้เห็นร่างของผู้เสวยกรรมอยู่ในบริเวณนี้พัดตกลงไปในบ่อครั้งแล้วครั้งเล่าพวกเหล่านี้ไม่มีวันจมน้ำตายเพราะเขาจะตายไม่ได้ตราบใดที่ยังใช้กรรมของตนไม่หมดทั้งนี้พระพวกเหล่านี้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 จึงมีผู้ปล่อยให้สถานที่อันน่าสยบสยองเช่นนี้ดำรงอยู่ต่อไปเพื่อทรมานผู้อื่นโดยไม่มีสิ้นสุดเขาไปจะขอตอบคำถามนี้โดยอาศัยหลักความจริงอันใหญ่ยิ่งประการเดียวคือหลักแห่งเหตุและผลนั่นเองบุคคลผู้ประกอบเหตุดีหรือเหตุชั่วไว้กว็าตามย่อมได้รับผลชนิดนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือความจริงท่านจะชอบหรือไม่ ความจริงนี้ก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอันขาดเป็นของน่าสยดสยองอย่างแท้จริงเมื่อคำหนึงถึงว่าครั้งหนึ่งสัตว์ในร่างมนุษย์เหล่านี้ได้เคยเป็นมนุษย์เคยท่องเที่ยวอยู่ในโลกมนุษย์เช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายเหมือนกันขอท่านทั้งหลายจงอย่าคิดเลยว่าเท่าที่พระเจ้าได้กล่าวมาแล้วนี้เป็นการกล่าวที่เกินความจริงแต่อย่างใด อันที่จริงแล้วคำบรรยายของข้าพเจ้าทั้งหลายเหล่านี้เป็นคำบรรยายที่น้อยกว่าความจริงเสียด้วยซ้าทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าก็โจนปัญญาไม่สามารถสรรหาคำพูดชนิดใดมาบรรยายความรู้สึกของพวกเราหรือสภาวะที่เราได้เห็นอยู่เบื้องหน้านั้นให้ใกล้เคียงต่อความจริงมากกว่านี้ได้อีกแล้วดังนั้นหากความไม่จริงจะมีอยู่บ้าง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 อันบุคคลผู้นั้นจะต้องเก็บเกี่ยวในโลกทิพนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าเขาจะชอบหรือไม่ก็าตามถ้าท่านถามข้าพเจ้าว่าใครเป็นผู้สร้างภูมิอันแสนจะต่ําช้าเร็วซามและเต็มไปได้วยความทุกข์ทรมานปานนี้ไว้ข้าพเจ้าก็ขอตอบว่ามนุษย์ผู้มีจิตใจเร็วซามต่ําช้าทั้งหลายนั่นเองได้ร่วมกันสร้างสถานที่นี้ไว้สําหรับตัวงเขาเอง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 ธรรมชาติอันสวยสดงดงามต่างๆในโลกทิพย์อันเป็นดินแดนแห่งสุขติภูมิจึงเป็นผลที่ผู้ได้หว่านพืชแห่งความดีไว้ในโลกมนุษย์จะพึงเก็บเกี่ยวได้อย่างสมใจด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าไม่มีใครเป็นผู้บังคับให้สัตว์ผู้เสวยความทุกทรมานอยู่นาที่นี้ต้องเดินทางมาสู่ที่นี้เลยกล่าวโดยสรุปก็คือ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 โดยทางส่วนตัวเราอาจจะยกโทษหรือให้อภัยในความผิดที่ผู้อื่นได้กระทาต่อเราก็ได้แต่โดยกฎแห่งเหตุและผลบุคคลผู้นั้นก็ยังจะต้องได้รับโทษอยู่ดีเพราะกรรมที่บุคคลกระทาไว้ทั้งทางดีและทางชั่วจะมีอันหายไปเฉยเฉยไม่ได้เป็นอันขาดการเสวยผลกรรมเป็นเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะของคนทุกคนจะรับแทนกันไม่ได้